พุท ธ, ธรรมาจากกรับใหญ่ในศาสนามีต่างเหตุผลชนดีงามมือสามงัวชา้าล้วนในมันพาจะพาเรื่องรุกชักจุกใจคนอริยสัสีท า, ศ า, ศา เด็ดสัส